สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาล น, นะครับวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่แปดสิบสามเรื่องคําพูดที่สุภาพอ่อนโยนพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่สุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคําตอบอ่อนหวานช่วยละลายความโกรดเกรี้ยวให้หายไป แต่คำกักครักเราโทสะลิ้นของปราชแจกจ่ายความรู้แต่ปากของคนโง่เทความโง่ออกมาพระเนตรของพระเจ้าอยู่ในทุกแห่งหนทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดีลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นที่ตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลายพี่น้องครับ บทเรียนในเช้าวันนี้เราขึ้นบทใหม่บทที่สิบห้าพูดถึงเรื่องของการใช้คาพูดครับการใช้คำพูดที่อ่อนโยนการพูดคุยการใช้ถ้อยคํามันมาจากสมองมันมาจากหัวใจถ้าว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจบวกเราก็จะส่งความรู้สึกที่ดีที่บวกไปที่สมองครับ และก็ออกมากลายเป็นคำพูดที่อ่อนหวานอ่อนโยนนุนจิตชูใจพี่น้องครับการที่เราครบกันเป็นเพื่อนกันอยู่ที่ความจริงใจคำพูดที่ไม่จริงใจคนอื่นก็สัมผัสได้เราอาจจะหลอกเขาเป็นเวลาได้ชั่วคราวแต่ในที่สุดคนก็จะพบว่าคำพูดที่จริงใจเท่านั้น ก็จะแสดงออกมาด้วยความจริงคําพูดที่หน้าอย่างหลังอย่างเราก็รู้และมันจะแสดงออกมาในที่สุดพี่น้องครับหลายๆครั้งทีเดียวในการจัดการกับความขัดแยง้งพระคัมภีร์เสนอแนะหลายหลยคนจัดการกับความขัดแย้งด้วยวิกวาดะการโต้แย้งกันอย่างดุเดือดและเผ็ดร้อน การทำเช่นนี้ทําให้มารชาตานซึ่งเป็นศัตรูของเรานั้นหัวรอดยอะในขณะที่พระชนะของพระเจ้าข้อที่หนึ่งได้กล่าวว่าคําตอบอ่อนหวานช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้สหสลายหายไปเพราะฉะนั้นการตอบสนองด้วยคําตอบที่สุบภาพอ่อนหวานต่อปัญหาความขัดแย้งและการถกเถียงกันหรือการโต้แย้งในความคิดเห็นที่แตกต่างกันเราจะต้องใช้ คำพูดที่ทำให้ทุกคนเข้าใจและใช้ความอ่อนโยนใช้คำที่สุภาพใช้วาจารหรือถ้อยคำที่เหมาะสมจะทำให้คนที่กำลังจะโกรธนั้นสงบพี่น้องครับการโต้โต้แย้งการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งนะครับที่ใหญ่ๆห่ยากยากและจุ่งยากมากๆ จะสามารถจบลงด้วยดีโดยใช้คําพูดที่อ่อนหวานคําพูดที่สุภาพครับการที่จะรับมือกับคนที่โกรธนะครับด้วยความสงบของจิตใจและที่จะตอบสนองต่อถ้อยคําที่เป็ดร้อนและโกรธด้วยถ้อยคําที่เยือกเย็นและสงบเป็นสิ่งที่ควรกระทําเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งพี่น้องครับจิงอยู่ครับลูกผู้ชายเรานั้นนะครับหรือแม้กระทั่ง ผุาษดตีเองก็เหมือนกันครับเราถูกดูถูกไม่ได้แล้วเราไม่ยอมที่จะให้คนอื่นมาดูถูกเราเรามีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของเราและหนูเหมือนว่าเราขี้ขาดเมื่อถูกท้าทายแล้วและเราเนี่ยนะครับไม่กล้าตอบสนองเหมือนกับเราขี้ขาดครับพี่น้องครับแต่โปรดจำไว้นะครับว่าใครก็ตามที่เลือกจะตอบสนองอย่างไร้กันควบคุม เขาคนนั้นยังไม่รู้วิธีปกครองใจของตัวเองครับและไม่รู้วิธีในการปกครองจัดการกับความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองเราเองนั้นจะต้องรู้จักจัดการกับความรู้สึกส่วนตัวอารมณ์ของเรานะครับจิตใจของเราเราต้องรู้จักปกครองให้อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างถูกต้องนะครับ การควบคุมตนเองและคำกับตนเองอย่างมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั่นเป็นของประธานครับพี่น้องคงจำได้คำว่า self control นะครับก็คือการควบคุมดูแลตัวเองการบังคับตนซึ่งเป็นของประธานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับดังนั้นเองเราควรใช้คำพูดที่สุภาพอย่าใช้คำพูดหยาบคายอย่าใช้คำพูดเชื่อเฉือนทำให้คนอื่นเจ็บปวดเจ็บใจ นะครับอย่าใช้คำพูดที่กระตุ้นความโกรธโกรธแค่และโกรธเคืองครับจงระมัดระวังอย่าทำให้คำพูดของเราซึ่งเราพูดออกไปแล้วมันลบไม่ได้ครับจะนำมาซึ่งวิวาทะการทะเลวิวาทการโกรธและในที่สุดก็จะต้องแก้แค้นกันพีนะครับคำตอบที่อ่อนหวานนุ่มนวลกําจัดโอกาส การเกิดสถานการณ์ตึงเครียดระนับความโกรธต้องอาศัยการมองการไกลความอดทนการรู้จักบังคับตนและจิตใจที่อ่อนโยนเอ็นดู <c oughs> คุณสมบัติเหล่านี้ครับได้รับการยกย่อง <c oughs> ในพระธรรมสุภาษิต <c oughs> พี่น้องครับเราจะต้องอาศัยการมองการไกลอดทนรู้จักควบคุมตัวเองและ จิตใจที่เอ็นดูให้อภัยเป็นคุณสมบัติที่ได้รับการยกย่องในพระธรรมสุภาษิตพี่น้องครับสเสน่ห์ของนักปรานั่นก็คือคำพูดของเขาคำพูดของนักปราดทำให้คนอื่นมีความรู้และความรู้เหล่านั้นจะทำให้เขาทราบความจริงและกลายเป็นคนเฉลียวฉลาดนั่นคือสเสน่ห์ของปรานครับสเสน่ห์ของผู้รู้ก็คือถ้อยคาของเขา นะครับซึ่งจะทำให้คนโง่เขา่าเขามีความรู้ทำให้คนที่ไม่ถ่อมใจเขาจะถ่อมใจพี่น้องครับในทางกลับกันสิ่งที่งอกขึ้นมาจากชีวิตของคนชั่วร้ายหรือคนโง่นะครับก็คือถ้อยคำที่กักระถ้อยคาที่ไม่เสริมสร้างถ้อยคาที่เชื่อเฉือนถ้อยคาที่เล่าวความโกรธเร่าโทสะ สิ่งเหล่านั้นครับมันจะงอกขึ้นมาจากคนที่เรียกว่าคนโง่ครับเขาจะมีชีวิตยอยู่ในความโง่เขาของเขาคำอธิบายตรงนี้บอกว่าเขายังชีพด้วยความโง่เขาปากของคนโง่เปิดเผยถึงความบาปของเขาแสดงถึงความโง่ของเขาในข้อที่สามครับพระเจ้าทรงทอดค้นเนธและเฝ้าดูการกระทำของเรา พี่น้องครับคาว่าทอดพระเนตนั้นหมายถึงการกํากับการควบคุมดูแลการติดตามและรวมทั้งการตอบสนองพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่ควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำครับพี่น้องครับการที่พระเจ้ายังไม่ได้ทำอะไรกับเราในระหว่างต้นน้ำหรือกลางน้ำแต่แน่นอนถับปลายน้ำเราจะได้รับการตอบสนองแน่ครับหากเราเป็นคนดีก็จะเกิดผลดีเราจะได้รับรางวัลในทางที่ดี หากเราเป็นคนชั่วเราก็จะเกิดผลในทางที่ไม่ดีเสียหายและผลนั้นเองมันไม่จํากัดอยู่แค่เราครับมันจะส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยเพี่น้งครับดังนั้นเองเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับหากเราเป็นคนชั่วร้ายใช้คําพูดในทางมุ่งร้ายจะได้รับตอบสนองด้วยการชําระจากพระเจ้าและการตีสอนของพระเจ้าครับพี่น้องอย่าลืมครับเราจะได้รับการตอบสนองและ คำระจากพระเจ้าคงจะเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดไม่น้อยและบางครั้งบางคราวอาจจะหนักและสาหัสหากเรายังไม่กลับใจเชื่อฟังยังไม่หยุดที่จะทาให้พระองค์เสื่อมเสียพระเกียรติข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็คือข้อที่สี่พระเจ้ะของพระเจ้าบอกว่าลิ้นที่สุภาพนั้นเป็นต้นไม้แห่งชีวิตดังนั้นเองเราควรใช้ลิ้นของเราในทางที่ถูกที่ดีครับส่งผลครับให้เกิด เป็นชีวิตสร้างสรรค์ชีวิตกลายเป็นต้นไม้นะครับกลายเป็นต้นไม้ที่จะเกิดผลดีสวยงามคำพูดที่สุภาพสร้างสรรค์จะสามารถโน้มน้าวละลายจิตใจที่แข็งกระด้างได้สามารถที่จะแนะนำคนให้เกิดความเชื่อความศรัทธากลับมาสู่ความจริงความดีงามความถูกต้องได้พี่น้องับ คำพูดที่กรอบด้วยความรักความอ่อนโยนสามารถนำพระกิติคุณข่าวประเสริฐสู่หัวใจที่แข็งกระด้างได้ในทางกลับกันครับลิ้นที่ตลบแสลงคำพูดที่เจือด้วยย่าผินจะบทขยี้ทำลายหัวใจของคนลึกไปถึงระดับจิตวิ ญ, ญญาณได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราทั้งหลายจึงควรใช้คำพูดที่เหมาะสมสุภาพคาตอบที่อ่อนหวานจิตใจที่อ่อนโยนตอบสนองต่อการและกันมันจะสร้างสรรครับมันจะเป็น ความรักที่ปรากฏต่อคนทั้งปวงในบ้านของเราคิดจักรของเราชุมชนของเราคริสเตียนนั้นไม่ควรจะเป็นคนที่ชอบทะเลาะวิวาทนะครับหรือเป็นคนที่มองคนอื่นในแง่ลบตลอดเวลาใครที่คิดดีคำพูดนเขาจะดีครับใครที่คิดชั่วคำพูดุ้นเขาก็จะชั่วอย่าลืมครับว่าพระเจ้าทรงเฝ้ามองเราดูตลอดเวลาครับเฝ้ามองดูเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่ควรใช้คาพูดทาร้ายคนอื่นใส่ร้ายป้ายสี พูดเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างพี่น้องครับคําพูดเลือกได้เช่นกันขอพระยาช่วยเรานะครับในการที่เราจะพบความจริงนี้เราจะให้ถ้อยคําของเราหนุนจิตชูใจใครก็ได้หรือจะให้ถ้อยคําของเราทําให้คนท้อแท้ใจก็ได้ถ้อยคําที่หนุนใจก็นําการรักษามาให้เหมือนกับต้นไม้แห่งชีวิตครับแต่ถ้อยคําที่เจือด้วยยาพิษนั้นทําให้คนท้อใจ ค่อยคำที่หลอกลวงทำให้วิญญาณจิตแตกสลายได้ทำให้กำลังใจตกต่ำทำให้ท้อใจขอพี่น้องช่วยเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพี่น้องครับอาเมน